ความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบเด็พี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตับซีร์ในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้นะครับในส่วนของวิชาตับซีร์นะันนี้ยังอยู่ในซารฮูดอยู่นะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่ในบีฮูด เป็นนบีชไอ้อะฮิสล์มจริงๆเวลาพูดถึงนบีเนี่ยต้องมีคำสรรเสริญตามมาถ้าเป็นนบีท่านอื่นก็อะลฮิสซาลมแต่เป็นนบีมุฮัมมัดต้องซาลาวาตซอัลอะลฮิวสัลัมนะครับบางทีผมก็พูดไม่ครบเพราะว่าเวลาสอนเนี่ยเออมันต้องพูดหลายครั้งนะครับตรงนี้ก็สักครุ่ล็อกไปนะ แต่ว่าเป็นมารยาทบอกกับพี่น้องว่าถ้ า, ถาทำได้ที่จีนสองคนทำเลยนะครับให้ซาลาวามันมีท่านอื่นก็อะไรฮิตซาลาส่วนที่ผมบางทีเลยไปไม่ได้พูดเพราะว่าบางทีซ้ำไปซ้ำมานะครับก็หวังว่าอราจะอภัยโทษให้ตรงนี้เนื้อหาในวันนี้ครับสามอายะอายะที่แปดสิบแปดถึงอายะที่เก้าสิบนะสูธแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบ สอฟต์พูดแต่ว่าเนื้อหาเกี่ยวกับท่านนาบีชออูอบอะเลฮิสลาหก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาออ พ, พี่น้องผมขอกูพื้นฐานนิดนึงเกี่ยวกับท่านนาบีชอูอบบางคนที่ชอบฟังประวัติศาสตร์นะครับคนเล่าก็ชอบนะเพราะว่าจะสอนที่ต้องอ่านที่ท่านนาบีชออูอับอะเลฮิสลามเนี่ยเป็นใคร อ่เริ่มต้นก่อนนะครับเมืองที่ท่านอบีชูไอถูกส่งไปสอนศาสนาเนี่ยชื่อว่ามัตยันถ้ามีจอเนี่ยนะครับมีมือถือพี่น้องก็กดเข้าไปมัตยันตัวมีมตัวดานตัวยาตัวนูนเดี๋ยวมันขึ้นเองนะครับเมืองมัตยันเนี่ยอยู่ทางเขาเรียกว่าข้าวสมุทรอาราเบียแถวแถวจอแดนลงมานิดหนึ่ง นะท่านนบีชูอ้ายเท่าที่ทราบตอนที่เราทราบกันตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะครับผมก็ได้ข้ามูลมาว่าส่งไปที่เมืองมัตยันนะครับและสุดท้ายสอนคนมัตยันก็ไม่เชื่อฟังสุดท้ายก็ถูกทำลายนะลักษณะคล้ายๆกันเลยกับพวกอาร์ตของนบีพูดพวกสมุดของนบีซอลเละแล้วก็ ชาวสะดูมชาวอามาระของนบีรูตคล้ายๆกันแต่ว่านาบีชูอิฟเนี่ยนะครับรายละเอียดที่กูอ่านเล่าให้ถ้เาเราเข้าใจเพิ่มก็คือความผิดที่ชาวมัตยันธรรมเนี่ยเป็นนอกจากปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วนะครับมีการโกงการช่างตวงมีการโกงการช่างตวงจากเขาโกงข้อมูลตรงนี้พี่น้องทําให้เรา เข้าใจลักษณะของเมร์มัตยานเพิ่มเติมเยอะเลยเดี๋ยวจะพูดเลยฝากมีสประเด็นนะครับเมร์มัตยานกับนบีชูไอ้นบีชูไอ้เนี่ยเชื่อสายมายัางไงนะครับเอ่อทางฝั่งแม่เนี่ยนักวิชาการให้อธิบายแบบนี้นะอาจจะผิด ก, ก็ได้อาจจะถูกก็ได้แต่ความเป็นนักวิชาการประมาณนี้ทางฝั่งแม่เนี่ยพี่น้องสื่อไปถึงท่านนาบีรุตอะลัยิสลาห บางคนว่าแม่ของนบีชูอายเป็นลูกสาวนาบีลูดบางคนบอกไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นย่าย่าของนยะแม่นบีแม่ น, บ, มนบีชูอายเป็นลูกของนบีรูดบางคนก็ว่าย่าของนบีชูอายเป็นลูกสาวของนบีรูดสรุปง่ายๆไม่ว่าจะชั้นไหนก็นแล้วแต่คือเชื่อสาทางแม่เนี่ยสืบไปถึงท่านนาบีลูดอะเลฮิสลา น บ, บีรูดซึ่งเราศึกษากันไปในสองสามสัปดาห์ที่แล้วที่วัาถูกทาลายเนี่ยนะครับนะแต่ว่าครอบครัวท่านน บ, บีรูดอพยพออกมายกเว้นภรรยาของท่านในนั้นน บ, บีลูกสาวน บ, บีรูดอยู่จะเป็นแม่จะเป็นย่าหรือว่าจะเป็นทวดอะไรก็แล้วแต่ฝั่งแม่น บ, บีชูอีฟเนี่ยสื่อไปถึงท่านน บ, บีรูดอะลัยฮิสลาฮ์ฝั่งแม่ฝั่งพ่อเนี่ยนะครับ ท่านนาบีลูตเนี่ยอยู่ในเมืองมัต ด, ดยันมัต ด, ดยันเนี่ยเป็นลูกคนหนึ่งของท่านนาบีอิบราฮมอะไลฮิสลามอันนี้เป็นไม่ใช่ว่าวายปต้องเชื่อแบบนี้นะเป็นข้อมูลที่นักประวัติศาสตร์ให้มาพี่น้องอาจจะมีคาดเคลื่อนอาจจะไม่ตรงแต่ฟังว้ประดับความรู้มัต ด, ดยันลูกนบีอิบราฮมแต่ก่อนเราคิดว่านาบีอิบราฮมมีลูกสองคนนะอิสมาอ ก, กับอิชา อะลัยสลาหเป็นนบีทั้งคู่แต่ในจริงเนี่ยนักบูชาการบอกคุณมาว่านาบีบรอฮิมหลังจากภรรยาสองท่านแรกคนที่หนึ่งคือพนังซาร่าซึ่งเป็นแม่ของนบีอิสฮะอะลัยสลามคนที่สองคือพนังฮายาดเป็นแม่ของนบีอิสมาอีอะลัยสลามหลังจากสองคนนี้เสียชีวิตแลว้วท่านนาบีบรอฮิมแต่งงานอีกสองครั้งคนที่สามชื่อว่าขอตูร นี่เป็นความเห็นนักวิชาการนะบางคนบอกกตูรรพันธ์มีตัวตนจริงเป็นอีกชื่อหนึ่งขอ ง, ของพนันไฮยัตัุวพนันซาร์ก็ฟังไว้นะการนี้กตูรรพน์เนี่ยนะครับถ้ามีตัวตนจริงเนี่ยนะครับก็มีลูกประมาณ6คน 6- กหรือเ็ผมจำไม่ได้ประมาณ67คนหนึ่งในนั้นมีชื่อว่ามัตยานนะบางคนบอกมัตยานเรามีลูกอีกคนชื่อมัตยานบางคนบอกมีลูกชื่อมัตยานเลย แล้วก็มัฏยายหึ่งมัฏยันเนี่ยเป็นต้นตระกูลของขาวชาวเมืองมัตฏยันงงไห่บิองไม่งงนะนะครับตรงนี้แต่บิณ ง, งงจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟังไว้สรุปง่ายๆคือทางแม่ของนบีชูอายส่งสืบไปถึงนบีลูดจะ ก, กี่ชั้นก็อีกประเด็นหนึ่งทางพ่อของนบีชูไอายสื่อไปถึงท่านนาบีเบรอฮีมอะไรสลับ อ่าอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวของนบีชูอัยนบีชูอัยเนี่ยนอกจากปรากฏเรื่องราวของท่านนะครับในประวัติเต็มๆแล้วเนี่ยนะครับใครจำได้บ้างตอนนบีมูซาอาลิสซาลามหนีซิรอัเนี่ยหนีไปไหนละ่ะหนีๆ น, น, น, นีที่ไปเจอผู้หญิงอะไรอยู่ที่บ่อน้ำยกฝาบ่อมาขึ้นนบีมูซาไปช่วยยกสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นพาไปเจอพ่อ พ่อก็คือนบีชูอัยนี่เรื่องราวมันเกี่ยวข้องกันนะนบีชูอัยนอกจากมีประวัติส่วนตัวแล้วยังปรากฏในประวัติของท่านนาบีมูซาอะลฮิสซลามเีน้องคุ้นไหมนบีมูซาก่อนจะเป็นนบีเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงฟิร์อาวใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเนี่ยทำความผิดพลาดพลั้งมือไปฆ่าชาบานิซออินซึ่งเป็นพวของฟิรอา ก็มีคนมาบอกว่าจะโดนการทําความผิดดิมูซากันหนีหนีตอนนั้นยังไม่ได้ว่าฮีนะยังไม่เป็นอบับดหนีหนีหนีห น, นีไปที่เมืองมดยันถ้าพี่น้องนึกแผนที่ออกเนี่ยนะครับยังไงดีอียิปต์ฟร์เอาอยู่ที่อียิปต์นะแล้วก็เอาอียิปตั้งตรงการก่อนตะวันออกตะวันตกตะวันตกเนี่ไปทางยุโรปไม่เอาตะวันออกเนี่ยถ้าหนีทางอียิปต์เนี่ยจะไปที่ซีนาย และก็ะมีพวก อ, อ, อกัลกอบะทะเลแดงอะไรแบบนี้แล้วก็ห น, นีลงมาเนี่ยเป็นเมืองมัตยันก็คือน บ, บีมูซาตามเส้นทางย้อนมาทางตะวันออกเดินทางโค้งอย่างนี้เลยลงมาที่มัตยันนะครับหลังจากนั้นก็เจอดานีบบชูอและก็ทําการตกลงกันว่าให้ทํางานแต่ปีเราจะยกลูกสาวอีกคนนึงน บ, บีมูซาก็ทํางานทำจริงกับสิปีอ้าวได้ลูกสาวแต่งงานมี ล, มลูกพาครอบครัวเดินทาง สุดท้ายเอาลองให้วายีมาให้ไปประเชิญหน้ากับฟิรเอาถ้าถึงประวัตินบีมูซาอาจะเล่าให้อีกจริงๆเล่าไปแล้วประวัติเล่าหลายครั้งไม่เบื่อนะครับเด็กก็ชอบฟังคนแก่ผู้ใหญ่ก็ชอบฟังนะกับอันนี้คือนบีชูไอนะครับเหตุการณ์เนี่ยมีประวัติส่วนตัวด้วยแล้วก็ประวัติในไปปรากฏในประวัตินบีมูซาอะลิสลามด้วยต่อมาเป็นเมืองมัตยันเมืองมัตยันที่น่าสนใจมากพี่น้อง ทำไมถึงน่าสนใจล่ะความผิดแต่ละประชาชาติเนี่ยบางทีเราไม่ทราบรายละเอียดรู้แต่ว่าทําการตั้งภาคีเช่นใน บ, บีนวัวประชาชาติท่านทาการตั้งภาคีเพราะว่าเอาล็อบอกเลยมีลูกปั้นช่วยด้วยอยา่ยาอูดเยู่สนัทรอห้าหกตัวเนี่ยในกุ้อ่านบอกไว้อ้ามีการตั้งภาคีทราบพวกเออไหนล่ะพวกอารอ้ามีการฝ่าฝืนเกี่ยวกับเตวีเนี่แหละตั้งพาคีพวกสมูท มีการฝา่าฝืนนะครับบวงไว้ด้วยในข่าอุลนบีซอลแลด้วยอ้าวก็เป็นความคิดในกรณีในคดีเดียวกันแหละแต่โดยมีรูดที่พึงจบปันโดยมีคดีเพิ่มนอกจากฝา่าฝืนอลัลลอฮ์แล้วยังมีการร่วมเพศกั น, นะระหว่างผู้ชายด้วยกันอันนี้เป็นความผิดเสริมแต่ว่าตั้งปาคีกับอลัลลอฮมีานมีไม่เชื่ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าชาวมัตายันเนี่ยไม่เชื่วอว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าด้วยความผิดเสริมก็คือ การโกงตาชั่งโกงมันมีการช่างการตวงแล้วให้ไมเต็มจำนวนเนี่ยใครเรียกว่าโกงตาชั่งเงาะหนึ่งโลเนี่ยเวลามีกิโลต ล, ลานพี่น้องจะมีสองด้านนะมันจะมีด้านด้านแมค้าดูกับด้านคนขายดูบางร้านเนี่ยพี่น้องมันไม่เท่ากันนะ ทวงไปหน่อยนึงเงาะก็ฉีดหน้ามันชุมช่มๆเวลาช่างเนี่ยน้ำหนักน้ามันจะได้เยอะโกงตาช่างลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในชาวมัตดดยันกันในสมัยท่านนบีสุลัยนี่คือความผิดขอ ง, ของชาวมัตยันนะครับใครเป็นควาค้าแม่ขายเนี่ยนะออความผิดแบบนี้เนี่ยโดนอาสากันมาแล้วบางคนที่คึ่งคิดมันจะไปบาปอะไรค้าทํำมาทั้งตลาดนะครับแต่ว่ามันมีกลุ่มชนที่ทำแบบนี้ถูกลงโทษมาแล้ว จากข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมพี่น้องคิดต่อไปนะครับสังคมของนบีชูอายชาวมัตยันมีการช่างการตวงนักวิชาการก็เลยมองว่าเป็นสังคมการค้าโอตัประเด็นตัวที่สําคัญมากพี่น้องมาคนฟังแลก็ผ่นานๆแต่สับผมที่สําคัญมากคือสังคมในเวลาก่อตั้งขึ้นมานะพี่น้องเมืองเวลาจะเป็นเมืองเป็นชุมชนเนี่ยมันมีหลายแบบ เช่นของไทยเนี่ยนะสมมุติอยุธยาเนี่ยนะครับการก่อล่างสร้างตัวขึ้นมาเอาคนมาอยู่เยอะๆชาวมาตรากร อ, อาจจะไม่ใช่อยุธยาเอาถอยไปหน่อยสมัยก่อนในคนล่าสัตว์นึกถึงสังคมบรรพการพี่น้องสังคมเก่าคนล่าสัตว์พี่น้องก็ล่าสัตว์ผมก็ล่าสัตว์ครนี้คนพออยู่เยอะๆเนี่ยล่าสัตว์เนี่ยไม่พอนึกภาพไหมผมเวลาผมล่าสัตว์เนี่ย บริเวณที่ผมจะใช้ล่าสัตว์นะพี่น้องเขาตีอยู่หนึ่งคนประมาณห้าห้าตารางกิโลเมตรโดยประมาณคราวนี้ถ้าพี่น้องแบบเนี้ยเราเป็นเมืองเดียวกันเนี้ยก็ต้องใช้ที่เยอะพี่น้องจะมาล่าสัตวผมได้ไงล่ะก็ต้องย้ายที่ย้ายที่ถ้าคนมาอยู่มากๆแล้วเนี่ยสองคมการล่าสัตว์เนี้ยไปไม่รอดเพรอะไรล่ะหนึ่งสัตว์ที่ล่าไม่พอสองอนาเขตที่ล่าเนี่ยล่ามันยิง่งล่ายิ่งหมดนิ่งใช้พื้นที่เยอะสังคมตัวนั้นไปไม่รอด ก็จะมีการปรับตัวมาเป็นสังคมการเกษตรแทนที่จะไปล่าไปล่าใช่ไหมเราก็การพื้นที่ไว้ปลูกพืชแล้วก็ทําไมเอ่ยถึงฤดูการก็เอาพืชเนี่ยมั น, นมาทาเป็นสเบียงเป็นอาหารสังคมก็สามารถรวมตัวกันได้เพราะว่าล่าสัตว์นิเลย์รอ น, ไป น, นไปนู่นไปนี่แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วจะเป็นเมืองเพราะมันต้องอยู่กับที่ ถึงเวลารดน้ําถึงเวลาเก็บเกี่ยวถึงเวลาใส่ปุ๋ยก็จะกลายเป็นเมืองพอการเป็นเมืองเสร็จคนก็มาอยู่เยอะๆคนก็มาอยู่เยอะๆพ่อปู่พ่อปู่พอ่พอปู่กลายเป็นอาณาจักรมีทหารมีนูนมีนี่น ύ, อันนี้คือการตั้งเมืองแบบแบบเกษตรกรรมแต่ว่ามันมีเมืองอีแบบหนึ่งพี่น้องตั้งเมืองโดยการค้าไม่ใจ่กคนมาอยู่แล้วก็ทำไมละ่ะ พัฒนาคนมามีเกษตรกรรมคนมาอยู่เยอะกลายเป็นเมืองกลายเป็นอาณาจักรไม่ใช่มันมีสังคมอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยกับการค้าแปลว่าบริเวณเหล่านั้นเนี่ยมีการติดต่อซื้อขายกันบ่อยแล้วคนก็มาตั้งถิ่นฐานเป็นจุดเชื่อมต่อในการค้าจนกระทั่งว่ากลายเป็นเมืองเมืองเหล่านั้นเนี่ยจะไม่อ้างอิงกับเกษตรกรรมเป็นหลักอาจจะมีภาคอุตสกแต่ไม่ใช่หลักหลักๆคือการค้า ในสังคมไทยเนี่ยสุขโขทัยคือเมืองในลนนักษณะนี้อันนี้เป็นงานทางวิชาการผมอา้างนิดหนึ่งครับขอจากศรีสักวันริบบูดมเป็นเมืองทางการค้าอายุธยาเนี่ยเป็นทางเกษตรนะสุขโขทัยเป็นเมืองทางการค้าตะกอนเนี่ยเส้นทางค้าขายมันผ่านสุขโขทยัยคนก็มาอยู่เยอะตั้งเป็นเมืองครา น, นี้เมืองการค้ากับเมืองเกษตรเนี่ย ขุดลึกนิดนึงนะครับเวลาที่เราไปดูในขุดเจออะไรเนี่ยนะครับเก่าๆลักษณะเมืองจะต่างกันเมืองการค้าเวลาไปเจอจะเจอสินค้าต่างๆเยอะๆไปหมดอยู่ตรงนั้นอาวเมืองแบบเกษตรกรรมอายุมันจะนานกว่าตั้งแต่สังคมเล็กๆคนมาอยู่เยอะๆนะครับอายุของเมืองจะนานกว่าเมืองการค้าการก่อร่างสร้างตัวกว่าจะเป็นเมืองเมืองจะสั้นกว่า แล้วก็การล่มสลายก็มีผนเมื่อ ไ, ไร่ก็แล้วแต่ที่เส้นทางการค้าเปลี่ยนเมืองก็จะเปลี่ยนไปด้วยอยู่ไม่ได้แต่ใ ต, ต้พวกปัตตานีพวกเยาโฮเนี่ยนะครับแต่ก่อนค้าทางนี้อา้าวพอต่อมาเส้นทางทางน้ําเปลี่ยนกลายเป็นเนินอะไรทํานองเนี่ยเส้นทางการค้าเปลี่ยนปุ๊บใหม่ทางบกแล้วไปทางทะเลแทนไอเมืองการค้าก็อยู่ไม่ได้เคค่อยสงบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเสื่อมทีนิดคนไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาสุดท้ายก็แตกกันไป ทางภาคใต้ของไทยจะมีมีลักษณะแบบนี้เยอะแต่ก่อนเคยทางบกผ่านทางนี้อันนี้เป็นเมืองต่อมาใช้เส้นทางทางทะเลไอ้ทางเมืองทางบกก็ลดความสําคัญสุดท้ายเมืองก็คนอยู่น้อยคนไม่คยมามาทำไมแล้วเข้าไป ม, มาทางนี้แล้วเข้าไปทางทะเลหมดของไทยถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยพวกทวทาวารวดีเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอ่าวนะ่ยมันกินเข้ามากรุงเทพเนี่ยไม่ได้เป็นดินแบบนี้นะเป็นอ่าวไม่ใช่เป็นน้ําเลยเป็น ตะกอนทับผมใหม่ๆดินมันกินเข้ามานะคันนี้ที่ผมพูดให้ฟังมาอยากไปไกลมากกลับมาที่ชาวมัตยันมัตยานเป็นเมือนการค้าตัวนี้น่าสนใจมากทําไมถึงกล้าบอกว่ามัตยานเป็นเมือนการค้าเพราะว่าความผิดที่กระทาในเมืองมัตยานเกี่ยวข้องกับการช่างการตวงมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมีการค้าขายกันบอกว่ามัตยันนั้นเป็นเมือนการค้า นะภาะวะเส้นทางอยู่ตรงนั้นอะไรกันแล้วแต่แล้วก็ตั้งมาเป็นเมืองมัตยันครนี้พอมาดูลักษณะของเมืองมัตยานแล้วเนี่ยเราพบว่ามีการโกงการช่างการตวงการค้าในสมัยก่อนพี่น้องเราไม่ทราบรายละเอียดค้าแบบว่าพี่น้องมีมะม่วงผมมีข้าวมาแลกกันคือแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรกันหรือว่าค้าแบบมีเงินเป็นศูนย์กลาง เอาเงินไปซื้อของแต่ปัจจุบันอันนี้ว่าเราอาลัำนะครับบางคนอาจจะมีเกตความรู้ก็แล้วแต่แต่ซับซาบนคือการค้าค้าแลกเปลี่ยนโดยตรงหรือค้าแบบเงินตาคนเราอาจนำนะครับประเด็นที่2การโกงตาช่างที่เกิดขึ้นในเมืองมัตย์ันเนี่ยใครโกงใครหมายความว่าโกงกันเองใช่ไหมใเมืองมัตย์ยันหรือว่าอันนี้เป็นหับเป็นจุดทางการค้าแล้วเขาผ่านไปผ่านมาเมืองมัตย์ยนะัะโกงคนอื่น ตะโกนคนอื่นแปลว่ายิ่งได้เห็นว่าเมืองมัตยันนั้นมีความสําคัญในฐานะเป็นสูงการทางการค้าในโลกยุคนั้นประเด็นก็จะยาวไปอีกเราก็จะมองออกว่า้คนในเมืองนี้เป็นยังไงมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราจะมองต่อไปว่าแล้วทําไมคําสั่งสอนของนบีชูอายเมื่อมัตยันถึงคนมัตยันปฏิเสธถ้ามองว่าเป็นคนเลวคนชั่วมันกระจบแค่นั้นแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นชาวมัตยันเสียผลประโยชน์อะไร ต่อการที่ว่าจะช่างจะตวงให้ตรงเนี่ยถ้าทำแบบที่นบีชไอ้ายสอนแล้วมันได้ยันจะเสียอะไรทำไมต้องจะโกงต่อไปมันมีประโยชน์อะไรทางการค้าแฝงไว้ประเด็นก็จะต่อไปอีกนะครับอันนี้ผมปูพื้นฐานนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมามาดูที่อายะ์ก็อ่านก่อนในอายะน์ที่88อลัลลอตรัสไว้ว่ากอลยาเกวมีอลัลลอตรัสก็เป็นก็อ่านแต่พูดนบีชูอยนะ่ะพูดแบบนี้ โอ้กลุ่มชนของฉันดิชุไอกาอัลไอตุมอินกุนตุอลาบบยินาตินมิรัม บ, บีตนะโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยท่านไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าฉันนั้นมีหลักฐานที่ชัดแจ้งมาจากพระเจ้าของฉันนะวาราซากนีมินฮุริสกอนฮาสานา นะครับแล้วพระเจ้าของฉันก็ทำไมเอ่ยประทานฤกษกีปัจจัยังชีพที่ดีให้กับฉันน บ, บีนำสารมาบอกแล้วถามชาวเมืองว่าไม่เห็นใช่ไหมว่านี่คือหลักฐานที่ชัดแจนอัลลอฮฺเป็นคนประทานบัรทายังชีพให้กับฉันอุามะรีดูอนันอุคาริฟะุมฉันไม่ต้องการที่จะขัดแย้งกับพวกท่าน อิลามาอันฮากุ้มอันฮุนะในสิ่งที่ฉันห้ามพวกท่านที่มาห้ามการโกงเนี่ยว่ายากโกงตาช่างค้าขายให้มันตรงเนี่ยที่มาพูดแบบนี้ไม่ใช่จะหาเรื่องไม่อยากจะมาชนทะเลชนตีนะแต่ที่ทําแบบนี้มาห้ามสิ่งที่ไม่ถูกเหล่านี้เนี่ยอินรีดูอินลันอิสลาหา้ามัสตาโตตู ที่มาเตือนที่มาสอนที่มาบอกเนี่ยสิ่งที่ต้องการคืออิสลาปรับปรุงจะทำให้มันดีขึ้นมัสตอตอ ต, อตูในสิ่งที่ฉันมีความสามารถนะครับวะมาเตาฟีกีอิสลาบิลละฮความสาเร็จของฉันเนี่ยถ้าการสอนการเปลี่ยนแปลงสังคมอิสลามตรงนี้จะสาเร็จทำไมเอ่ยเตาฟีความสาเร็จมาจากอัลลอ อัลฮิตะวันกันตูว่าอิลัยฮิอูนีบนะครับและถ้าเป็นแบบนั้นแล้วท่านนบีก็ทำการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์นี่คือคำพูดของนบีชุอัยบอไลสลามประโยคที่หนึ่งนะในอายะที่แปดสิบแจากอยายะนี้เห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ลืมบอกท่านนบีชุอัยบเนี่ยนะครับถ้าดูในในตอรอดนะในอินจีนเนี่ย ในอินดีน้ในการชิดอดในอินดีน้เนี่ยชื่อเวลาชื่ออะไรละ่ะอย่างนัวก็จะเป็นโนอาใช่ไหมมูซ้าจะเป็นมูเสตอิสาก็จะเป็นเยซูชูไอเป็นอะไรเทิดเจโธเจีทฮ e อรออันนี้เป็นชื่อที่อยู่ในพวกในอินดีนนะครับ ครนนั้นประวัติในอินจีนเนี่ยบอกว่าแบบนี้นี่คือประวัติในอินจินนะถือว่าเป็นอิสราเอลียานนบีบอกว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องปฏิเสธก็ฟังไว้บอกว่าเป็นเป็นบาปหลวงนบีชูอายไม่ใช่นคนปกตินะเป็นบาปหลวงในเมืองมัตยันมีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการสอนในการพูดสาวกเขาซอห้างดีใบยานดีก็คือว่าเวลาสอนผู้คนเทศผู้คนเนี่ยจับใจนบีชูอายเป็นแบบนั้น แล้วก็อันนี้คือตามตามทินยีนะไม่อาจจะไม่จริงก็ได้ฟังไว้ไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องเชื่อร0อยซแล้วก็ความเชื่อดั บ, บิชุไอจะทำการเทศสอนนะครับให้คนเชื่อแบบนั้นแบบนี้จนกระทั่ ง, งความเชื่อตรงนี้ในปัจจุบั น, นยังไม่ได้หายไปแต่สืบท อ, อดมาในสังคมของพวกดูส d ดีอารูนบางคนเรียกดอิสดูอิสเนี่ย ปัจจุบันอยู่ที่ไหนอยู่ในในเลบานอนก็มีเป็นความเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็มีความเชื่อบางคนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามบางคนบอกเป็นนิกายใหม่บางคนบอ ก, เ ป, นน ก, บบอกเป็นความเชื่ออื่นอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อตรงนี้ดิคนก็เชื่อกันเนี่ยมันจะมีธงมีมีอะไรดูอิสลามไปดูใน Google แล้วกันความเชื่อตรงนี้ในอินเียนะบอกว่าสืบเวลาสืบย้อนไปเนี่ยไปถึงท่านอะบดุชูอัยบอะลาฮิสซลา คนนี้มีน้องจอมาตั้งว่าเออะตอลงเนี่ยเป็นอาลุนกิตามไหมผมก็วันรออาลัมนะครับแต่ว่าประวันมันแบบนี้แหละมาจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะว่าเป็นที่โซโลอิริยคนดูอิสเนก็สืบถึงเนบิชูไ อ, อ้การมาดีอายัดที่แปดสิบแปดต่อเนบิชูไอเนี่ยเป็นนักเทศจะเป็นบาทหลวเป็นนักบวชอะไรก็ได้แต่ในสมัยนั้นทําการสอนผู้คนบอกว่า การที่น บ, บีห้ามน บ, บีชูไอ้เนี่ยแน่นอนว่ามีการเรียกร้องไปสู่อเลออเลอเป็นเจ้าองค์เดียวแล้วก็ห้ามการโกงการช่างการตวงให้ค้าขายโดยความสุจริตการการะทําตรงนี้เป็นการอิสลาเป็นการทําให้สังคมดีขึ้นค้าขายสุจริตสังคมจะดียังไง ในด้านจรยิยธรรมคุณธรรมมันต้องคุยกันนะครับโกงกับไม่โกงเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งปัจจุบันยังแก้กันไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยหลักสูตรเวลาสอนเด็กมีจะมีชั่วโมงลูกใครเรียนอยู่ปฐมเนี่ยนะครับและหลักสูตรเอ่อโตไปไม่โกงนะผู้ใหญ่ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเป็นระบบประถมกันมานานฝากความหวังไว้กับเด็กต่อไปไม่โกงก็ไม่รู้จะสอนอยังไงบางทีก็มีคะแนนให้บางทีกันดูวิดีโอดูการ์ตูน ก็ไม่รู้จะได้ผลไหมนะครับผมก็มาวิจารณ์นโยบายถึงท่านกันแต่ว่าต่อการที่เห็นว่าไอโกงไม่โกงเนี่ยเป็นประเด็นเป็นปัญหาของสังคมโกงไม่โกงนี่แก้อยากนะพี่น้องกฎหมายก็แก้ยากมันมีการอุปถัมมันช่วยเหลือกันบางอย่างก็เอาผิดไม่ได้โกงไม่โกงเอาผิดได้ไหมเอาผิดไม่ได้มีช่องทางกฎหมายโกงนี่เป็นประเด็นสําคัญทั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่มีชูไอ้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสองพันสิบเจียยังแก้แกันไม่ได้เลย ไม่ใช่ที่ไทยนะที่อื่นก็มีเวลาก็เปิดเผยไอ้นั่นนะอะไรบัญชีลับๆเนี่ยบัญชเกาะไปน้องจากเกาะเคแมนไหมเป็ น, นกกเนกาะหมูทะเลใต้เนี่ยเวลาผมจะเลี้ย ง, ร ง, ยงประสงฆ์เรือเมืองีผมขายยาบ้าได้สมมติไม่ได้ขายนะผมขายยาบ้าได้ใช่ไหมแต่ผมเอาไป ท, ทําธุรกรรมอะไรเนี่ยบางคนก็สืบได้เออพอตังเขาจากไหนว่าสิบล้านสอนซื้อหนึ่งได้ชั่วโมงไม่กี่ร้อยเอาไงมาสิบล้านผมก็ไปเปิดบริษัทหลอก มันจะมีหลายเกาะเปิดขึ้นมาแล้วก็บริษัทนั้นมันจะ ท, ทําธุรกรรมจริง<อ>ไปฟอกเงินโซเปิบริษัทผมชักกิจชักิจค้าผ้าสมมุตินะครับผ้ามันไม่มีสักผืนเลยเอา้าค้าหนุนค้านี่ไปไปมาสิบล้านที่ได้มาเนี่ยเป็นกำไราจากการค้าผ้าเงินก็บริสุทธิ์แล้วผมก็เอามาใช้ได้พอก็สื่อไปอ๋อมาได้เงินขายาบ้านเนี่ยเงินจากการ ท, ทําธุรกิจจริงๆผ้าสักผืนก็ไม่ดีนะนิยมกันมาก คั น, นี้ปัจจุบันมันมีข้อมูลหลุดมาว่าใครไปฟอกเงินบ้างเนี่ยนะครับไปดูเดอ b บีทางอังกฤษก็โดนตัวใหญ่ๆก็กโดนนะครับแล้วก็คนดังๆในไทยกระโดนหลายคนนั่นคือการโกงแต่ว่ากฎหมายเอาผิดไม่ได้ไอ้เกาะแครแมนเนี่ยมันตั้งมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะมีกฎหมายโดยเฉพาะด้วยซ้ำเต็มไปหมดเลยมีแต่ชื่อนัก ง, งานไม่มีไม่เคย ท, ทําธุรกรรมจริง อ, อันนี้เป็นประเด็นรอฟังในปัจจุบันคันนี้คําถามกลับมาที่คําถามเดิ การค้าขายโดยสุจริตเนี่ยอิสละสังคมยังไงหนึ่งด้านฉริยธรรมนงก็คือไม่ให้โกงสองพี่น้องทราบไหมว่าการค้าขายโดยสุจริตเนี่ยส่งผลดีต่อผู้ค้าเองบางทีคนขายเนี่ยไม่ได้มองเรื่องคุณธรรมมากมองเรื่องผลกำไร วันนี้จะมาบอกว่าการค้าขายแบบตรงไปตรงมาเนี่ยส่งผลดีต่อต่อตัวผู้ค้าเองส่งยังไงนะงานวิจัยใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับการค้าเนี่ยพี่น้องนะครับเวลาที่สมมตินะผมมีอะไรดีแล้ร้านมือถือมันจะมีมือถือมือหนึ่งมือสองสมมติของมือสองแล้วกันเวลาตั้งราคาขายเนี่ยมันก็จะมี มือถือมือสองที่ว่าใหม่ๆจริงๆสภาพดีๆเนี่ยตั้งราคาสูงแล้วก็ราคาต่ําหน่อยสภาพเยอะหน่อยก็ราคาถูกหน่อยหรือบางเครื่องเนี่ยดีเหมือนกันแต่ว่าตกน้ํา ม, มาแล้วแช่ต่อสารเสร็จก็คือมันไม่เหมือนเดิมแหละแต่สภาพมันหนอกมันสวยก็หลอกคนว่าใช้มาไม่กี่เดือนจริงๆใช้มาสามเดือนนะถูกเลยแต่ว่าตกน้ําไปสองวันนะครับมึงงงมือมาได้มันก็เปิดติดแต่มันไม่ดีก็ตั้งราคาสูงหลอกคน คนนี้บางคนที่ตั้งราคาสูงหลอกคนแบบเนี้คิดว่าทําแบบนี้ทําให้ตัวเองได้กต่ไรแต่จริงๆในระยะยาวเนี่ยส่งผลเสียต่อคนขายเองเพราะเมื่อคนซื้อเนี่ยทราบราคาแลว้วว่าเวลาซื้อของของสูงไว้เนี่ยนะครับราคาราคาแพงเนี่ยไม่เดบแปลว่าจะเป็นของดีเสมอไปต้องเผื่อไว้ด้วยว่าอาจจะโดนหลอกฉะนั้นราคาก็จะตั้งสูงไม่ได้พี่น้องเข้าใจปะ คือตอนนี้จริงๆมือถืออันนี้มันขายได้เก้าพันมือสองแต่ว่าด้วยกับที่ผ่านมามีการหล้อมีการย่องแมวผมคนซื้อเนี่ยถ้าอันนี้มันดีจริงเก้าพันผมซื้อไม่เสียดายแต่ว่าผมต้องเผื่อทุงลองไมไว้ด้วยฉะนั้นมือถือเนี่ยจะตั้งเก้าพันไม่ได้แล้วผมไม่ซื้อแล้วผมต้องเผื่อเสี่ยงได้แค่เจ็ดพันเข้าใจปะคือคนขายก็ไม่สามารถจะตั้งราคาของดีสูงๆได้เพราะคนซื้อไม่เชื่อ เราคิดว่าขายของให้ได้กำไรเนี่ยเอาของไม่ดีเนี่ยตั้งให้สูงเราจะได้กำไรจริงผินนะของไม่ดีต้องตั้งให้ต่ำของดีต้องตั้งให้สูงเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าเชื่อใจแล้วเนี่ยเราสามารถจะตั้งของสูงได้เพราะลูกค้าเชื่อใจพี่น้องงงไหมแต่ถ้าลูกค้าไม่เชื่อใจแล้วของดีราคาสูงตั้งไม่ได้เพราะคนซื้อก็ต้องเผื่อด้วยเพราว่าจะโดนหลอก ไปไปม า, มาราคาของดีกันตั้งสูงไม่ได้เพราะคนซื้อก็ไม่รู้ว่าจะดีจริงป่าวราคาก็ต้องต่ำมาแทนที่หวังตั้งตรงๆของถูกกับขายถูกของแพงกับขายแพงคนขายเนี่ยได้ประโยชน์นะการซื้อขายโดยสุจริคนขายได้ประโยชน์ถ้าผมไปตลาดสมมุตินะครับยกตัวยอย่างผมไม่เคยค้าขายเดือบุญญานะเวลาไปซื้อของถ้าเรา เราทราบว่าของที่ได้นเนี่ยคุณภาพมันตรงตามราคาราคาสูงเราก็กลซื้อแต่ถ้าเราต้องเผื่อใจว่าอาจจะโดนหลอกโดนโกงในหน่อยของราคาสูงมาเราก็ไม่อยากซื้อเราก็ต้องเผื่อว่าอาจจะมีหมกเม็ดราคาต้องต่มาผลเสียเกิดกับใครเกิดกับคนขายเองไม่สามารถตั้งราคาสินค้าตามที่คุณภาพมันบอกได้นั่นนี่คืออิสลามในแง่มุมหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยปัจจุบันออกมาไปมาการโกรงราคาสินค้าผลเสียส่งผลต่อคนขายเองนบีชูอายบอกว่าที่มาทําทุกวันนี้เนี่ยที่มาบอกผู้คนเนี่ยต้องการอิสลามต้องการทําให้สังคมดีขึ้นนะบางคนบอกโอ้ โ, อ โ, อโกงครึ่งขีดเนี่ยมันเล็กน้อยแต่ว่านาบีชูอายเนี่ยเป็นภารกิจของท่านเนี่ยนะต้องการให้คนไม่โกงเนี่ยเป็นภารกิจของนบีชูอาย เราสูตรกทมเนี่ยลองไปศึกษานาบีชุอายดูนี่แหละโตะไปไม่โกงนบีชุอายการทำอยู่เนี่ยให้สังคมไม่โกงอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนสองคนนะเป็นทั้งเมืองเลยหับการค่าในสมัยนั้นเมื่อมันเดยอนการโกงตรงนี้เกิดอย่างแพร่หลายนาบีชูอายบอกว่าการอิสลามที่ทำเนี่ยมัสตาร์เตตุทำเท่าที่ฉันสามารถจะทำได้ ฉันพยายามเต็มที่แหละแต่ว่ า, วามาเตาฟีกีอิลลาบิลลาฮิความสาเร็จจะได้ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์นี่คือมุมมองของคนที่ทำงานศาสนาพี่น้องทำเต็มที่เลยทำเท่าที่สามารถอย่าไปทำอะไรที่มันเกินกวาสามารถทำเท่าที่สามารถแล้วก็ทาเต็มที่แต่ว่าเตาฟีความสาเร็จอยู่ที่อัลลอ์ดังนั้นอัลลอฮิตาวะกันตุวะอิลฮิอุนบ เมื่อความสมำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วฉันพยายามทําเต็มที่และฉันก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์มีการต่อวักรุลแล้วก็อุนีฟก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์มีปัญหุปหัญหาเนี่ยกลับไปไหนกลับไปหาอัลลอฮ์นะอันนี้คือนบีชูอาเห็นภาพไหมพี่น้องนบีชูอาอยู่ในเมืองซึ่งใครๆก็โกงกันต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมทํำสาเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทําเต็มความสามารถมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทําต่อไป นี่ได้จากอายาที่88ในอายาที่89เอลัอเอลลอตัดไว้ว่าอาลัลลตัดนะครับแต่เป็นคำพูดของนบีชอบูอัลวายาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันลยายจัจริมันกุ้มชิกรีนะอย่าทำให้อะไรละ่ะความเห็นที่ตอนนี้น บ, บีชูชอัชอัเนี่ยเห็นไม่ตรงกับชาวเมืองกลุ่มใหญ่ เห็นไม่ตรงกันเป็นฉีกความเห็นขัดกันอันนี้วานต้องโกงต่อไปนมิชวยบอกอย่าโกงเลยช่างตรงให้มันตรงๆอย่าทําให้ความเห็นขัดแย้งตรงนี้เนี่ยยัจจะริมันนะกุ้งทาให้ท่านนั้นกระทําความผิดถ้าแปลตรงตัวเนี่ยแปลยากต้องแปลแบบอธิบายแปลว่ายายเห็นว่าฉันเห็นต่างกับท่านแล้วท่านก็จะปฏิเสธคําเตือนของฉัน พอบางทีเนี่ยเวลาคนมาสอนเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราไม่ชอบที่หน้าเขาเนี่ยนะไม่สนใจเนื้อหาจะบอกอะไรถ้าไอ้คนนี้พูดไม่ฟังพูดอะไรไม่เกี่ยวออกมาจะปาคนนี้นะผมไม่ฟังมีลักษณะแบบนี้น บ, บีชูอายกลัวว่าชาวเมืองที่ว่าไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนเนี่ยจะเกียดน บ, บีเป็นการส่วนตัวแล้วไม่เชื่อในคําสอนน บ, บีชูอายจะบอกว่าลาจะเจริมันนะกุ้มชิกกี อย่าเอาความเห็นต่างที่ฉันไม่ตรงกับท่านเนี่ยเป็นสาเหตุให้ท่านกระทําความผิดตรงนี้นี่เป็นประเด็นสําคัญมากพี่น้องในประเทศไทยที่ผ่านมาวิกฤตทางการเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นสีเสื้อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นแบบนี้เราเกลียดตัวบุคคลนานะจะเป็นสีไหนก็แล้วถ้าเกลียดคนนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาหมดไม่ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัดชอบคนนี้นะไม่ว่าจะพูดอะไรเท ห, หมด สุดท้ายเยนยประเด็นไม่ใช่ใครถูกใครผิดแล้วประเด็นอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าชอบใครอ่าเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสังคมมุสลิมจะมีการเลือกตามกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกนาะอิหมัมเขาเลือกขณะนี้การเลือกคือยังไงคือชอบรักส่วนตัวหรือว่ายังไงนะครับตอนนี้เนี่ยประชาชนมุสลิมพูดถึงการเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับตื่นตัวมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆ เ, เนี่ยเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยเป็นเรื่องของอิหม่ามนะ เราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่มีสิทธิ์พราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกก็ไม่เกี่ยวกับเราทำอะไรไม่ได้เรื่องของอิหมัมอิหมัมจะเลือกใครเรื่องของอิหมัมแต่ปัจจุบันเนี่ยอิหมัมจะเลือกอันไหนจะมีแรงกำเพื่มจากผู้คนเหมือนกันคนในกําปองกดดันเหมือนกันถ้าเลือกคนนี้แล้วไม่ดีเนี่ยอิหมามเนี่ยก็ถูกเปิมเล็งตอนนี้สังคมมาเป็นแบบนี้หมดแล้วนะแต่ก่อนคิดว่าเป็นเรื่องของอิหมัมตอนนี้คนโดยไปก็เกี่ยวข้อง เนี่ยเราพูดถึงการเลือกตัง้งมีการตื่นตัวกันเนี่ยกับมกรซ้ำจังหวัดทีจริงไอ้คนที่พูดเลิอกไห้คนที่พูดก็ไม่ได้เลือกผมไม่ได้ไปอิบามก็เลือกไม่ได้เลือ ก, กได้ร้อยกว่าคนแต่ว่าเสียงจากประชาชนมันขึ้นมาอิมามจะเอาว่าเอาของฉันอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องฟังผู้คนด้วยนะปีนี้เริ่มจะเห็นชัดปีต่อไปผมคิดว่าสังคมมุสลิมเนี่ยน่าจะมีการตื่นตัวในการเมืองมากขึ้นดีไหมดีสิมันช่วยกันกองซึ่งกันและกันมันช่วยตรวจสอบตะกอนเนี่ย ช่วยงานฉันเยอะฉันก็เลือกแกมันจะมีคอนเนตชันมาช่วยงานสุดร์เราตัดมเปิดงานเป็นเรื่องเขา อ, อิ่มบังกับกรรมการตอนนี้ไม่ใช่เออไอคนที่ไม่ได้เรื่อยก็มีการตั้งคำถามมีการวิพากษ์วิจารณ์ใครชนะกัอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่ า, มาผมก็ไม่รู้ <laughs> ประมาณนั้นนะครับก็คือประเด็นที่จะโยงมาเดี๋ไปไกลก็คือน บ, บีชูไอเวะลาสอนคนเน่ยกลัวประเด็นนี้มากเกลียดฉันก็เลยไม่ฟังฉัน นบิชุไอ้บอกว่าอย่าเป็นแบบนั้นอย่าเอาไอ้ความที่เราเห็นต่างกันเนี่ยทําให้ท่านการทาความผิดตอนฉันเกียรติฉันก็เกียดไปแต่วันที่ฉันเตือนมันถูกการทาไปไอ้เกียติฉันในความรู้สึกวนตัวมันแยกไม่ออกเท่าไหรพูดยากแต่ว่าดูเนื้อหาแล้วกันถ้าผิดก็หยุดการกระทํานบิชุไอยบอกแบบนี้ต่อมาครับอันยูซีบาคุมมิสตูมาอัศบะกลมิโนเฮนนะเพราะว่าถ้าท่านทําแบบนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่จะประสบกับพวกท่านนั้นมิสตูมาอซอบาเกามมนูฮินจะเหมือนกับสิ่งที่ประสบกับกลุ่มชนของนบีนวัวอัลเกามนลูคูดินหรือว่ากลุ่มชนของนบีพูดอาลเกามาซอลีฮินหรือว่ากลุ่มชนของนบีซอเลอัมาเกามูลูตินหรือว่ากลุ่มชนของนบีลูดมินกุมบิบะอิดซึ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไกลาจากกทัานเลย เราทราบกนดีผ่านมาถึงนี้แล้วสิ่งที่ประสบกับกลุ่มชนนบีนว่งคืออะไรล่ะจมน้ํากันหมดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนบีพูดเป็นยังไงล่ะกลุ่มชนนบีพูดพวกท่านก็โดนทาลายกันหมดกลุ่มชนนบีสอนแล้วบสมุดเป็นไงก็โดนกันหมดกลุ่มชนนบีรู้เป็นไงก็โดนกันหมดถ้าไม่ฟังฉันเนี่ยสิ่งที่จะประสบกับพวกท่านมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ซึ่งภายหลังคนในเมืองก็ไม่ฟังจริงแล้วก็ถูกทำลายจริงเหมือนกับกลุ่มชนก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออัลยัครอ่านบอกว่าบอมาเกาโมลูตินมินกุ่มบิบไบดและกลุ่มชนของนบีลูซ้ซึ่งไม่ได้ห่างไกลจากพวกท่านเลยคําว่าบิอิบดแปลว่าห่างไกลนักตัปซิดผมเนี่ยคือใช้กับอิมรุอาชชุดอธิบายว่าไกลตรงนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไกลจากพวกท่านเลยไม่ได้ไกลด้านไหนบ้างหนึ่งไม่ได้ไกลด้านเชื้อสายอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอสือบกันไปสืบกันมา ก, ก็แม่ดับบี้ชูไอ้อะไรทํานองนี่ก็เป็นนุ่นเป็นอะไรละ่ะเป็นสายนับี้รูดเป็นแม่เป็นย่าก็แล้วแต่นะครับมัตยันซึ่งเป็นชื่อบรรบุรุษของชาวเมืองเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากดับบี้มะรอยหิมอะไรสลาามฉะนั้น อะไรล่ะอมากาโมรูตินมิงกุมบิบายต์ที่บอกว่าไม่ได้ไกลเลยเนี่ยด้านเชื่อสายก็ไม่ได้ไกลเลยเวลาที่มีคนที่เป็นเครือญาติประสบกับอะไรกันแล้วแต่เราก็จะตระหนักคิดมากกว่าปกติพี่น้องดูตัวเองคนอื่นตายก็ก็อินนาลิลละแต่วันไหนถ้าพี่น้องตายพี่น้องพี่น้องของพี่น้องเนี่ยเข้าใจไหมพี่ตายแต่วันที่เราตายเนี่ยความรู้สึกมันจะใกล้กว่า เกิดมาเดยกันไอ้พี่เกิดก่อนตายแซงกูไปแล้ ว, เ, ลวเราเมื่อไหร่จะตายคือเป็นใกล้ฉะนั้นเวลาที่สิ่งที่ประสบกับเครือญาติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใกล้ตอนนี้นบีรู้เอ้ยนบีชูไอ้เตือนชาวเมืองที่โดนทำลายเนี่ยไม่ใช่ใครนะเป็นเครือญาติทุกท่านไม่ไกลกันเลยไม่ไกลด้านเชื้อสายประเด็นที่หนึ่งสองไม่ไกลด้านเวลาบุุสมาเพราะว่า อะไรล่ะจากกลุ่มชนดบี้ลุดลาดสุี่ถูกทําลายเนี่ยมาถึงกลุ่มชนดบีชโชไอก็ไม่ขี่ชั่วอายุคนถ้าตีว่าสองามชั่วอายุคนก็ไม่ใช่เรื่องที่เก่ามากเราก็ทราบสิ่งที่เกิดกับม้าผมเนี่ยหนึ่งอายุคนแแหลโต๊ะผมสองอายุคนมากของโต๊ะผมก็ยังพอทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปลายที่ไหนอะไรขึ้นไหนฉะนั้นสิ่งตรงนี้ไม่ได้ไกลเลยด้านาระยะเวลาก็ก็ไม่ได้ไกล สามยุทธุสมานไม่ได้ไกลเลยด้านสถานที่ถ้าพี่น้องไปดูแผนที่เนี่ยสมัยก่อ น, นมองภาพไปออกสมัยหลังหลังนักดิลล่านะนักวิชาการทํามาเป็นแผนตรงแผนที่พอพูดถึงนบีนุวเนี่ยเขาทำเป็นแผนที่เลยอยู่ตรงไหนนบีอูดอยู่ตรงไหนนบีสมุตเออไม่ใช่ น, นบีสมุตนบีซอเล่์อยู่ตรงไหนละมัตยานพี่น้องไปดูไอพื้นที่ที่โดนอาณาเนี่ย ไม่ได้ไกลกันเลยอยู่แถวนั้นแหละข้าสมุทอาราเบียการที่ได้ดีใจมาทันกันนั่นนะฮะจบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอยู่ตรง น, นั้นแหละฉะนั้นที่ว่ามามินกุ้มมิบะอีฟเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มชนก่อนหน้านี้ไม่ได้ไกลจากผู้ท่านเลยด้านเชื้อสายก็ไม่ไกลปัญญาติห่างๆกันด้านสถานที่ก็ไม่ไกลอยู่แถวนั้นแหละเดินทางไปถึงด้านเวลาก็ไม่ไกลไม่กี่ชั่วอายุคนฉะนั้นสิ่งที่มันประสบกับกลุก่มชนเหล่านั้นเนี่ย มันก็สามารถจะประสบกับท่านได้คิดสักนิดหนึ่งนี่ลึกมากนะนี่คือคําเตือนของคองนดามิชูไอลึกมากยกตัวอย่างซึ่งไม่ไกลเลยนะครับเขาถึงบอกดามิชูไอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเทศเป็นบาทหลวงอะไรก็แต่ซึ่งมีความสามารถในการสอนผู้คนสูงคมมากพูดแบบนี้นะถ้าพูดว่ากลุ่มชนอื่นมันก็ไกลไงอย่างผมเนี่ยถ้าพูดถึง คนยุโรอะไรแบบนี้ผมเออก็โยปก็มันก็ไ ก, กลไงไกลญาติก็ไม่ใช่พื้นที่กัไกลแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยคิดเออมันไกล้พอค้าขายโคเคนในอะไรในโคลอมเบียเนี่ยผมก็ฟังแต่ว่ามันก็ไกลมันจะญาติเราแต่ว่าคนในซอยขายขายขา ย, ยาบ้านเนี่ยเฮ้ยมันใกล้คิดนบีชูไอศก็เตือนคนแบบนี้เหมือนกันนะนี่คือเขาเรียกว่าความคมคายของนบีชูไอศเตือนกุมชนแบบนี้นะครับคราวนี้ เวลาหลืออาเอาให้ลึกอีกหน่อยในอายาที่89เนี่ยพูดถึงกี่กลุ่มชนหนึ่งสงสามสี่สี่กลุ่มชนก่อนหน้านี้กลุ่มชนนบีนวัวกลุ่มชนนบีฮุดคือพวกอารกลุ่มชนนบีซอแรกคือพวกสมูทรและกลุ่มชนนบีลูดชาวสะดูสดูมแล้วก็เมืองที่อยู่ทับแถมนั้นกลุ่มชนนบีนวัวเนี่ยอย่างที่เคยสอนไปกลุ่มชนนบีนวัวเป็นเหตุการณท์ที่ทราบกันในเกือบทุกความเชื่อ กะโหลกกะเลียนมีอิแตแดงมีนาน้ำท่วโลกเนี่ยนะครับกลุ่มชนนบีรูดอันสุดท้ายเนี่ยก็ถูกกล่าวว่าในคัมภีร์อื่นด้วยในตะร่าแตะอินยินมีกลุ่มชนนบีรูดนะเหตุการณ์กลุ่มชนนบีรูดแต่สองกลุ่มชนที่มีเฉพาะในกัมภานคือกลุ่มชนนบีฮุตกับนบีซอละเป็นเรื่องราวซึ่งในคัมภีร์อื่นมีมีเฉพาะในกัมภาน อ, อ่ายกมาสี่กลุ่มชนเนี่ยซึ่งแต่ละกลุ่มชนก็มีลักษณะต่างกัน ถูกกาวที่นั่นถูกกาวที่นี่ไม่มีกาวที่นั่นถูกลงโทษแบบนั้นถูกลงโทษแบบนี้แต่ข้อสรุปเดียวกันคือฟาฟื่อนและโดนทำลายนบีชูอายยกมาบอกกับผู้คนนี่คือนบีชูอายนะครับอนี่คืออายะที่อายะที่แปดสิบเก้านะในอายะที่เก้าสิบอัลลอฮ์ตัดไว้ว่าอลัลลอฮ์ตัดนะครับแต่ว่าเป็นคําพูดของนบีชูอายวัสตักฟิลรบบาคุม จงขอพยโทษกับพระผู้อิบาลของพวกท่านซุมมาตูบูอิลัยฮีแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวไปหาพระองค์อินนาร บ, บีราฮีมุนฮุวาดูดแน่แท้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เมตตาฮุวาดูดเป็นผู้ที่รักใครสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ายังดํานเนินแบบนี้ต่อไปนะเราจะถูกทําลายเหมือนกับกลุ่มชนที่ถูกทําลายก่อนหน้านี้แล้ว ผู้เสร็จว่าทางแก้เป็นยังไงไม่เดีพูดแล้วไปทางแก้คือให้ขอพยโทษต่อเราที่ผ่านมาคือความผิดต้องยอมรับก่อนที่ผ่านมาคือความผิดแล้วขอพยโทษแล้วก็ทําการตบบั้กลับเนื้อกลับตัวและทิ้งสิ่งแบบนั้นโดยเด็ดขาดไม่กลับไปทําอีกแล้วนะครับโอ้ผิดมาตั้งเยอะผิดกันทั้งเมืองเนี่ยทําแบบนั้นแล้วเราจะไปพยโทษได้ไหมอัลลอฮ์มีลักษณะคืออินนาร บ, บีราฮีมุน เป็นผู้ที่เมตายิ่งอว ด, ดูเป็นผู้ที่รักใครยิ่งอันนี้คือลักษณะของละนะครับซึ่งให้กําลังใจกับผู้คนพี่น้องในท่ยความผิดมาเยอะมากความผิดนั้นมันต้องบอกอยู่ในตัวพี่น้องแล้วก็คนมาทักโอ้โหเลวอย่างเกียร์เนี่ยต่อปัออ๊บละรอไหมนับท้อเลือเกินให้นึกถึงลักษณะอละตรงนี้คําว่าละฮีมอลละเมตายิใครมันจะไม่เมตตายจะว่างจะผมแล้วแต่ แต่ว่าอัลลอฮฺเมตตามีความหวังที่จะกับเนื้อกับตัวนะครับวัดูรักยิ่งเราเป็นคนแบบนี่ยพี่น้องในบ้านเดเมือ น, นางเมื่อนงกลียดกันหมดแล้วขณะว่าเลิกเล้วแล้วนะคนยังเกียดพูดถึงเรื่องยี่ปีที่แล้วเนี่ยกับเนื้อกับตัวมา น, นั้นคนยังไม่โอกาสคนยังเกียดแต่ว่าให้สันทาว่าอัลลอฮฺมีลักษณะคือวัดูเป็นผู้ที่รักยิ่งใครเกียดเกียดไปถ้ากับเนื้อกับตัวจริงอัลลอฮฺรัก ลักษณะแบบนี้พี่น้องเวลาที่เราอ่านพันพานเนี่ยอัลลอฮฺเมตายิ่งปานียิ่งเนี่ยถ้ามองให้ลึกแล้วพี่น้องให้กําลังใจกับผู้คนมากเลวมาตลอดสังค ม, มไม่แยมไม่แยมพายแต่ว่าอัลลอฮฺบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาห์เมตตาปาณีเสมอคุณลักษณะของอัลลอฮฺเนี่ยพี่น้องให้กําลังใจกับเราหลายลักษณะามากอัตตาวะไม่ได้กล่าวในที้แต่ว่าเป็นพระนามของอัลลอฮฺอัตตาวะเป็นลักษณะขององัลลอ เป็นผูต้ตอบรับการเตบาบาใครไม่อภัยไม่รู้เหลยแต่อาร้อนเตา ว, วาถ้าพี่น้องตั้งใจจริงเตาบาจริงเราหวังจากลักษณะตรงนี้ว่าอาร้อนจะอภัยโทษให้นะครับอันนี้คือต้องมีความหวังนะมุสิีนี่ไม่ไม่หมดหวังแถมแถมเป็นเก็บความรู้นิดนึงนะครับในบรรดา น, นัาบีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับกี่คนผมก็ไปสอบตอนเรียนฟันดูอี น, นี่ยมีการประมาณการกัรวัดอบีมีเท่าไหร่นะ หนึ่งแสสองมืสี่พันคนบรรดารอซูดมีสามอสิบห้าคนก็ก็แล้วแต่จริงไหมจริงก็แล้วแต่เป็นการประมาณการอาจจะเกินอาจจะขาดก็แล้วแต่ครึ่งหนึ่งของนบีทั้งหมดประมาณการเช่นเดียวกันว่าเป็นชาวบันิสราอิศอันนี้เคยเคยพูดไปหลายครั้งแหละครั้นี้นบีที่เป็นคนอาหรับเนี่ยบางคนบอกว่ามีแค่สี่ห้าคนนบีชูอายเป็นหนึ่งในนั้น อ่านาบีที่เป็นอาหรับเชื้อสายอาหรับยมีใครบ้างหนึ่งโมมันนั่นแอู่อันหลังสุดนะครับอันนาาั้นมาง้งหลังสุดหนึ่งนบีฮูดเรียงตามลำดับนะนบีฮูดกับ น, นบีซอเล่ถือว่าเป็นเชื้อสายอาหรับถลึกอีกนิดหนึ่งอาหรับเนี่ยขอแบ่งอีกเป็นสามประเภทอาหรับบาอิดะอาหรับแบบศูนย์พันปัจจุบันมไม่เหลือแล้ว นบีฮุดนบีซอเล่ยจะเป็นอารับแบบนั้นเพราะว่าอะไรละ่ะกลุ่มชนของท่านที่ถูกทําลายอั น, นั้นไปนหมดเลยอ่านี่คืออารับเหมือนกันแต่อารับซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเปรียบเทียบก็คือเปรียบไม่ถูกนะคนไทยแทบที่ปัจจุบันไม่เหลืออยู่แล้วเป็นไทยไทยมันมีไทยขาวไทยดําไทยพุงลายเยอะไปหมดเลยนะไทยกว้างสีเยอะไปหมดไทยที่ไม่มีแล้วเนี่ยนะอารับแบบนั้น นบีชูอัยก็เป็นอาหรับเหมือนกันนะครับต่อมาคือนบีอิสมาอิลอลัยฮุสสลามลูกนบีบรอฮีมซอแล้วฮูชุอัยเนี่ยเป็นอาหรับเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นนบีอิสมาอิลอลัยฮุสสลามนบีอิสมาอิลเนี่ยก็เป็นอาหรับนะพูดภาษาอาหรับแต่ไม่ใช่อารับแบบดั้งเดิมเขาเรียกว่าอารับมุสตาฮะบะคือนบีอิสมาอิลเนี่ยเป็นลูกนบีบรอฮีม นาดับบิบอวีมเนี่พูดภาษาไม่ใช่ภาษาอาหรับแหละอพะยพมาจากโน่นพวกบารีโลนน่นพวกอู๊ดโน่นแล้วก็แต่งงานกับนางฮายัตมีลูกคือดับิสมาอินแล้วก็มาปล่อยไว้ที่มักกาตอนนั้นดับิสบอวีพูดภาษาไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเาพอปล่อยที่มักกะแล้วมีน้ําจ ำ, จำมีน้ําแล้วก็เอิ่นพวกอาหรับแท้ๆที่ใต้เนี่ยแถวเยเมนพวกก็ตอนอัต น, นาณีนเนี่ยพวกก็ตอนนะครับอพยพขึ้นมาก็มา ขออาศัยอยู่กับน บ, บีอิสมาอินกับพานันหายะคนเหล่านั้นที่อพยพขึ้นมาพูดภาษาอาหรับนั่นคืออาหรับอะไรบะางอาหรั บ, ร บ, รบแท้ๆเลยน บ, บีอิสมาอีนก็เรียนรู้ภาษาอาหรับจากคนอาหรับคือ เ, เรื่ออาหรับมุสติมราบ้างอะไรหรออาหรับไบส์เดิมๆไม่ใช่อาหรับแต่กลายเป็นคนอาหรับนึกออกไหมตอนนี้มันมีพมงพ ม, ม่าเต็มไปหมดเลยประเทศไทยเนี่ยมาทํางานแล้วก็มีลูกลูกพมาก่าแต่ประเอญเข้าโรงเรียนสันติชนสมมุติง่าย ใส่ชนสองภาษาเลยสอภาษาไทายเ พ, พืพ่อนผู้เพื่อนผู้ไทยดูละครดูละครไทยสุดท้ายก็พูดไทยจนเป็นภาษาแม่นึกออกไหมทอิสมิสม า, า, า, าอินเป็นแบบนั้นเดิมๆม่นจะพูดภาษาอาหรับแต่ว่าอยู่กับคนอาหรับคนอาหรับมาจากไหนละ่ะอพยพขึ้นมาที่ต้มีที่จอดแดนมีเอ่ยที่เยเมนมีปัญหาบางทีอพยพขึ้นมาแล้วก็มาดูเลเอ่มั ก, การานมันอยู่ได้ น้ำจำจำไม่หายเลยมีน้ำขออนุญาตตั้งตั้งที่ที่อยู่อาศัยตั้งเต็นต์ตั้งกระโจมอะไรกันแล้วแต่บรรยายันโอเคดะบิสมาอิน e โอเคก็อยู่แต่การเป็นชุมชนอ๋อลูกออกหลานก็พูดภาษาอร а б นี่คือดะบิสมาอินเป็นอารับเหมือนกันภ <c oughs> าษ <c oughs> าไทยก็แปลว่าไงอรับมุสตะอาร บ, บะอับที่กลายเป็นอาับเดิมๆม่นจะอับแต่สุดท้ายกลายเป็นอาับเหมือนเด็กพ่ามาย ก, กตัวอย่างกลายเป็นคนไทย ชื่อมองอะไรก็รู้สมมตินะแต่ได้สัญชาติไทยพูดไทยป๋อเลยไทยหมดสุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็นสมมติลีลาวดีอ่ไม่เป็นมองแล้วเป็นชื่อไทยก็เป็นคนไทยเหมือนกันเหมือนคนไทยเชื้อสายจีนง่ายๆนะครับแสลิมแสะอะไรก็แต่การคนไทยไปแล้วนะ <laughs> แล้วก็อีกคนนึงก็คือท่านดับบี้โมมัตซอลลอห์อะลัยซัลลัมนี่ก็เป็นอาหรับเหมือนกันเป็นอาหรับสืบเชื้อสายมาจากท่านดบีอิสมาอินอะลัยซัลลัม นาบีมันไหลไป่ผมจำไม่ได้แล้วลูอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ลูอบูอับดุลฮุตอแรลู่นนไไปถึงลูอัตนาไไปถึงอิสมาอลิสลามก็เป็นอาหรับมุสตาฮะบ้าเป็นอาหรับสายนาบีนาบีอิสมาอินนะสรุปอาหรับมีสามแบบอาหรับที่สูญพันไปแล้วอะไรภาษาอังว่าอาหรับบาอิดอาสมูดแบบเนี้ยอาหรับกลนั่นนอาหรับที่ มูเปลแปลงอาหรับที่ไม่มีแล้วปัจจุบันเชื่อสายไม่เหลือแล้วอ่ะเพราะรอดทำลายไปหมดแล้วสองอารับอาริบะตออินรอบาอาริบะแปลว่าอารับแท้ๆเดิมเลยอยู่ตรงไห น, นตะกอนอยู่ที่เยเมนเยเมนนี่เป็นแหล่งอาหรับเดิมๆไปนะสําคัญมากปัจจุบันเนี่ยมีสองสงครามดูยากจนแต่เป็นแหล่งดเดิมสมัยก่อนมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากแต่ไหนก็เล่าไปเลย สมัยก่อนเมืองต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เยเมนเยอะเช่นราชนีบินกิสอยู่เยเมนพวกอะไระเต็มไปหมดตะกรเยเมนเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีเหตุการณ์คือสายลุตเอ็มมีอะไรเราเลื่อนมันแตกมีกุะุกกระพยมีความหแห้งแล้งคนก็พยกถิน่นฐานตั้งเป็นเผ่าต่างๆอันนั้นคืออาหรับอาริบอาหรับแท้ๆเลยเนี่ยนะครับ มางคนบอกพกกอกตอนนี้ยินอะไรแบบนี้พวกกันอาอะไรก็แล้วแต่ก๊อกตอนดีแน่ใจพวกอื่นผมไม่แน่ใจแล้วแต่ก่อนเกลี้ยจอมหมดตอนนี้ไม่จาแล้วนะครับผ่ามานานอันนั้นคืออาหรับแท้และก็อาหรับประเภทที่สามอาหรับมุสติอารับบ้างอาหรับที่กลายเป็นอาหรับดเดิมไม่ใช่สุดท้ายกลายเป็นคนอาหรับตัวอย่างชัดที่สุดคือท่านอบดุลสมาอิลอะลิสลาลนะครับสุดท้ายกลายเป็นคนอาหรับถ้ายกตัวอย่างแบบปัจจุบันให้เข้าใจ ตอนนี้ประเทศอียิปต์เป็นประเทศอะไรเป็นประเทศอาหรับอ่าประเทศตูนิเซียแอัลจีเรียเป็นประเทศอาหรับแต่แต่ตก่อนไม่ใช่อารับนะแต่ก่อนอิสลามใ น, นเวลาเผยแพร่สมัยนบีมุฮัมมัดอยู่ในค้าศนดอาหรับเบียมา ก, กามาดีนาะแต่ก่อนอียิปต์จะเป็นพวกกิฟตี้เป็นพวกคัปติกเป็นพวกอียิปต์อียิปต์โบราณเนี่ยปัจจุบันก็จะมีอยู่นะครับและสุดท้ายพออิสลามขยายตัวเนี่ยคนอาหรับที่เป็นมุ้สิ้นก็ไปตั้งบ้านเมืองที่อียิปต์สุดท้าย ไอ้พวกนั้นทียิปจากตมเดิอเป็นเดนแดนที่เราเาเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อาราบนะสุดท้ายอียิปต์ปัจจุบันการเป็นประเทศอาราบนึกออกไหมไอ้พวกแอฟริกาเหนือเอลจีเรียตูนิเซียยาซาเอสอะไรทํานองเนียนะครับแต่ก่อนเป็นพวกเบอร์เบอร์บาบิเลียนเป็นเชื้อสายพื้นฐานตรกนั้นแหละและสุดท้ายพออิสรามขยายตัวเป็นอาณาจักรนูอาณาจักรนี้คนพวกนี้ก็เรียนรู้ภาษาอารบพูดภาษาอารับกลายเป็นมุสลิมก็กลายเป็นอารบแต่ดยดีอเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นเชื้อสายพวกพวกบาบิเลียนพวกเบอร์เบอร์ ตัวอย่างยกไปฟังนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าออปอะวัติศาสตร์เนี่ยถ้าพี่น้องฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังเพลินมันก็ด่ามันก็ไม่ผิดฟังได้ไคิดผิดไหมก็ไม่ผิดฟังได้ทางน้ำได้ไดายาผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วนึกว่าตรงนั้นนเป็นสังคมแล้วมันมีภาพยังไงเราก็จะเก็บความรู้ทางประติศาสตร์ก็เสริมไปนะครับเ อ, อผมถนัดแนวนี้นะผมก็สอนแนวนี้พี่น้อง ห ล, หลายหลายท่านถนัดแนวอื่นก็สอนแนวอื่นก็ไม่เป็นไรแล้วกันนี่คือประโยชน์ที่เราได้จะได้จะกลนนะครับอ้าวในช่วงท้ายของเวลาผมทวนนะครับวันนี้ซาร์ฮูดสามอายันอายันที่แปดสิบแปดปดสิบเก้าเก้าสิบนะสิ่งที่เราได้ในวันนี้พี่น้องเมืองมัตยานเนี่ยน่าสนใจมากเป็นเมืองทางการค้าพี่น้อง ไม่ได้เมืองสร้างขึ้นจากสังเกษตรเป็นเมืองทางการค้าถ้าพี่น้องอยากอ่านตรงนี้พี่น้องไปดูทำเทียบของไทยคือเทียบกับสุขโขทยัยเมืองที่สร้างขึ้นมาเส้นทางการค้าเป็นยังไลงลมสลายอย่างไอางอะไรยังไงมาเปรียบเทียบตรงนี้ได้นะครับท่านนบีชูอายก็ไมาจากใครที่ไหนเป็นลูกหลานนบีแม่เป็นเซอรานบีลูดพ่อเป็นเซอร์ษานบีมารอฮิงนะครับในอายะห์ที่88เราทราบตัวละครและนบีชูอายแล้วก็ชาวเมืองมัณฑยัน ในอายะห์ที่แปดสิบแปดนบีชูอ้ายเนี่ยบอกกับชาวเมืองว่าที่มาสอนที่มาอะไรแบบนี้นะนะวามารีดูอันอุคอลิฟกุมไม่ได้มาเพื่อจะมาขัดแย้งมาขัดแค้นขัดขาไม่ได้มาทำลายการค้าไม่ได้มาสร้างปัญหาที่มาเนี่ยสิ่งที่สอนเนี่ยอินรีดูอินลันอิสล่าฮามัสตอตตูอยากให้สังคมดี อัลลอมาบอกให้สังคมดีไม่ได้ไม่ได้อยากมาสร้างปัญหาแต่อย่างไรกันแล้วแต่ว่ามาตาฟีกีอินลบิลลาฮิความสําเร็จที่จะมีขึ้นเนี่ยสําเร็จก็คือเด้วยกับอัลลอฮ์สุดท้ายสําเร็จไหมล่ะสุดท้าก็ไม่สําเร็จเหมือนกันคนศรัทธาก็มีส่วนน้อยคนสมมากก็ถูกทำลายแต่ทํางานไม่ทํางานเต็มที่นะครับแล้วจะมาบอกเอ๊ะนบีชุกัยสอบตกหรือเปล่าอ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ทํางานเต็มที่สุดท้ายตะวันกัน ทำตามอรมานั้นที่ได้นั่นคืออายาที่อายาที่แปดสิบแปดใอายาที่แปดสิบเก้านะครับนบิชุให้เตือนกลุ่มชนว่าอย่าให้เอาตัวฉันซึ่งฉันได้เห็นแตกกับพวกท่านไม่ตรงกับพวกท่านเนี่ยมาเป็นสาเหตุในท่านนั้นกระทําความผิดให้ฟังในะสิริชันสอนอย่าเห็นว่าฉันไม่ตรงกับท่านเป็นฝ่ายตรงข้ามจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ฟังอย่าแบบเป็นแบบนั้นนะ ทำไมล่ะเพราะว่ามันจะอันยุซีบังุมบิสนามาอซอบะจุดๆๆนะมันจะเป็นสาเหตุให้พวกท่านประสบกับการลงโทษซึ่งเกิดกับกลุ่มชนก่อนหน้านี้แลว้วกลุ่มชนนบีน้วนนบีฮุดนบีซอแรนนบีลูดและก็ไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชนนบีลูดเนี่ยทําไมเอ่ยมามีกุมบิบาอิดไม่ได้เป็นอไอที่ไกลตัวเลยนะเป็นเครือญาติที่ถูกทาลาย ทำลายยังไม่ได้ตายคนเดียวนะยกเมืองนะครับไม่ได้ไกลด้านสถานที่เดินทางเป่นนานนาบีมูซาตอนวิ่งจากผมไม่รู้ว่ขี่ม้ารวยแต่ว่าหนีแบบบางคนบอกวิว่งเนี่ยหนีมาเนี่ยคือรองเท้าแตะนี่ขาดไปเลยกลัวทีเราเอามามาคนเจ็ดวันเจ็ดคืนอะไรก็แล้วแต่จากอียิมเนี่ยมาถึงมัตยันนะพี่น้องเจ็ดวันแปดวันอะไรก็แล้วแต่คือไม่ได้หยุดพักเลยจนกว่าสภาพนี่แย่แล้วก็มานั่งพัก เย่ yeah, แล้วก็เห็นว่าอเล็กก็ให้เจอลูกสาวไปช่วยใหไปช่วยเหลือเอาได้แต่งงานคือระยะทางแบบนี้เนี่ยปัจจุบันตั่งเครื่องแป๊บเดียวในอดีตเนี่ยก็หลายวันแต่ว่าไกลไหมไม่ได้ไกลข่าวค่าวก็ได้รับข่าวค่าวกันอยู่ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ไกลด้า น, นระยะเวลาด้วยไม่กี่ชั่วอายุคนซึ่งญาติตัวเองในดินแดนที่แม่ไกลถูกทําลายมันเกิดตรงนั้นแล้วมันเกิดเกิดกับพวกท่านได้ให้คิดสักนิดหนึ่ง และสุดท้ายครับนบีชูอ้ายเวลาสอนผู้คนให้กาลังใจผู้คนพี่น้องเวลาบอกใครเนี่ยให้กําลังใจคนด้วยอย่าว่าด่าอย่างเดียวให้ยกลักษณะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮมอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เตาว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษอัลลอฮ์วดูดอัลลอฮ์รักเบายิ่งโอกาสที่คนอื่นไม่ให้เนี่ยแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสอยู่ที่ว่าการที่สิกฟ้าจะทําไหมเตาบัตนจะจริงใจแค่ไหน บางทีช่วงเวลาตอนนี้เราโอเคแต่มันมีช่วงที่ทอ้อนะครับผมก็เคยทอนะ้อนะประกอบกับปัญหาตอนเรียนหนังสือเยอะสงครสงขามเยอะมากนึกในใจโอ้จะได้เรียนหนังสือไหมเนี่ยลาบากเหลือเกินแต่ว่าพอมาล้วนศสัทธาของอัลลอฮฺเมตตาก็ศรัทธาตรงนั้นแล้วก็ขอดุทิศต่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกนะครับฉะนั้นพี่น้องก็อย่าทอ้อแล้วก็อย่าทําให้คนอื่นท้อนะเวลาเป็นปเตือนคนอื่นให้กาลังใจด้วยกับคุณศรัทธาขอ วันนี้เท่านี้นะครับว่ามิลาอิต้าอฟิกุนฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮิวะบะรักาตุ